บทที่199ทหารหลวงมรกรนครที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้พิจารณาได้เป็นสองในคือเป็นกองทหารควบคุมตัวอยู่เหมือนเดิมหรือมิฉะนั้นก็เป็นกองเกียรติยศแห่แหนเพื่อเชื้อเชิญกลุ่มอาคันตุ ก, กะต่างแดนเข้าพบกับผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินซึ่งขณะนี้รอคอยอยู่ในที่ออกว่าราชการแผ่นดินณทองพระรงกูราน ขนทางเดินเป็นเส้นทางเดียวกับที่ฉเฉลยทั้ง11คนถูกนำเข้ามาพักที่ตำหนักโดยย้อนกลับออกมาแต่แล้วแทนที่จะอ้อมตัวมหาปราศาสตร์ออกสู่สนามชัยอันเป็นทางขึ้นทางด้านของทองพระโรงที่ใหญ่ราวกรัฐสภาของอาณาจักรโรมันทหารที่นำแวดล้อมมาเหล่านั้นกลับนำเลี้ยวซ้ายไปตามถนนโรยกรวดอันทอดขนานไปกับปีก ข, ขวาของตัวมหาปราสาสตร แล้วนำมาหยุดอยู่ยังบันไดหินอ่อนอันกว้างใหญ่บริเวณหนึ่งทุกคนของฝ่ายเฉลยจึงตระหนักว่านั่นเป็นหนทางขึ้นลงอีกด้านหนึ่งซึ่งจะนำขึ้นปราศาสตร์หรือลงไปยังบริเวณอุทยานแยกต่างหากออกไปจากบันไดขึ้นลงขนาดใหญ่ตอนที่ทั้งหมดมายืนเผชิญหน้าอยู่ในครั้งแรกเริ่มทหารมาทั้งหมดรวมทั้งจิตศรี ตางก้าวลงจากหลังมา้ามีทหารหรือมิฉะนั้นก็พนักงานอีกหมูหนึงอันตั้งเป็นกองอยู่ยังบริเวณริมบันไดาทางขึ้นเหล่านั้นครูเข้ามารับมาแยกไปบำรุงรักษาหรือผูกไว้เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนที่ทหารเหล่านั้นจะลงจากหลังมา้าได้ดึงหอกที่ติดอยู่กับแผงข้างมาของตนมาถือไว้เปลือยปลายอันคมกริบขาวัดเป็นที่บาดในตาและถือชูอยู่ในมือ โดยท่าทางแบบอย่างที่เหมือนกันหมดอันแสดงว่าเป็นวิธีหรือมิฉะนั้นก็วินยัยในการถืออาวุธที่ฝึกกันไว้อย่างเคยชินแล้วฝ่ายเฉลยทุกคนไม่มีใครปริปากพูดคำใดกันอีกเลยนอกจากใช้สายตาสำรวจดูสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบกายอย่างที่ท้วนระมัดระวังที่สุดและรู้สึกตัวว่าจะประมาทไม่ได้เลยเพราะหอกที่ทหารเหล่านั้นดึงจากแผงมาถือติดมือมาด้วย ต่างเดินขึ้นบันไดนั้นไปอย่างมีระเบียบท่ามกลางความเงียบกริบได้ยินก็แต่เสียงฝีเท้าที่ยำเป็นจังหวะพร้อมเพรียงของทหารที่เข้าแถวล้อมเป็นวงกลมอยู่พอหมดขั้นของบันไดช่วงแรกก็ถึงฐานหินกว้างเหมือนลานอุดมไปด้วยฝูงนกยูงและนกพิราบทานลานนั้นไปอีกช่วงหนึ่งจึงเริ่มขึ้นบันไดอีกชั้นก่อนจะถึงลานของปราศาส ซึ่งประดับไปด้วยเสาหินทรมืนยืนคำเพดานสับวางของเสาหินเหล่านั้นเป็นหมู่ภาพแกะสลักของเทวรูปหน้าตาแปลกๆเช่นที่ทุกคนมองเห็นระหว่างที่ยืนอยู่ยังสนามประลองยุดเมื่อเช้านี้และถ้าจะมองลงไปทางด้านขวาก็จะเห็นสนามอันกว้างใหญ่เหล่านั้นอย่างถนัดตาทหารเป็นกองพลยังยืนหยัดเรียงรายเป็นหมวดหมู่อยู่ที่นั่น และห่างออกไปเป็นคลื่นของประชาชนที่แวดล้อมอยู่เบื้องหลังพระพินไัยวันลอบสกิดให้ท่านหัวหน้าคณะมองลงไปยังสนามด้านหน้าปราศาสตรอันหนาแน่นไปด้วยทหารถืออาวุธและประชาชนเหล่านั้นซึ่งเมื่อขึ้นมายืนอยู่บนที่สูงของราชฐานแห่งนี้ทำให้มองเห็นวิวกว้างไกลออกไปแทบทุกด้าน ทางทิศตะวันออกเหมือนขึ้นมายืนอยู่บนเนินเขาย่อมย่อมดารินกมารีก็มองไปยังสนามประลองยุทธอันคลาคล่ำไปด้วยฝูงชนและทหารเหล่านั้นด้วยสีหน้าไม่สู้จะสบายใจนะักจิตเซนเชื่อท้าเอ่ยขึ้นเป็นคำแรกกับแม่ทัพที่ควบคุมขบวนอยู่นี่จากเช้าจนกระทั่งบ่ายปานนี้แล้ว กองทหารเหล่านั้นยังไม่ได้รับคําสั่งให้สลายตัวแยกกันไปอีกเหรอพวกเขามาชุมนุมกันอยู่ที่นี่เพื่ออะไรจิตเสกยิมขอหล่าท่านอย่าได้สนใจอะไร ก, กองทหารที่ประชุมกันอยู่ยังสนามนั่นเลยมันไม่มีความเกี่ยวพันอันใดกับพวกท่านรอกทหารเหล่านั้นกําลังอยู่ในระหว่างชุมนุมรอคําสั่งเพื่อปฏิบัติการบางอย่างเกี่ยวกับพวกโจรขบฏที่กําลังฮึกงเหิมก่อการร้ายอยู่ทุกหัวระแหง ในขณะ น, นี้ลักษณะเหมือนบ้านเมืองกําลังจะเกิดสงครามก็ลียุคขึ้นนั้นแหละดารินรําพึงเปร ย, ย์เสียงเลอยๆของราษฎร์ดังมาว่าก็าเราไม่ได้บอกไว้แต่แรกแล้วหรอกเหรอว่าการเยียบยาเข้ามาของพวกท่านนะ่ะทําให้แผ่นดินของเราร้อนเป็นไฟท่านเอาชักรูกเก่าของเราเข้ามาด้วยคําพูดของรหาศยะ ทำเอาทุกคนของฝ่ายต่างแดนเงียบงันไปครูต่อมาเชษฐาก็บอกว่าราษยะพวกเราไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เป็นไปเช่นนั้นหรอกนะและคิดว่าเราพอจะหาทางแก้ไขคลี่คลายให้ได้หากมีการหารือกับกษัตริย์สิงหราเยี่ยงมิดท้าแน่ใจเช่นนั้นเหรออุปราบพระอนุชาร้องถามเบาๆจ้องหน้าเชษฐาอย่างสนใจ ท่านหัวหน้าคณะก้มศีรษะเนิบชาลงแต่แน่ใจเช่นนั้นราษยะพระเราก็บอกแล้วเหมือนกันว่าพวกเรามายัางดินแดนของท่านเยี่ยงมิตรไม่ได้คิดเป็นภัยเป็นศัตรูใดๆทั้งสิน้นแล้วการสนทนาระหว่างที่เดินกันไปก็หยุดลงเพียงแค่นั้นดารินรอบสังเกตสีหน้าของพี่ชายเมื่อได้ยินเขาพูดประโยคสุดท้ายเหมือนกับว่าหล่อนจะค้นหาความจริงอะไรบางอย่าง ในประโยคคำพูดนั้นแต่ก็ค้นอะไรไม่พบจากสีหน้าอันเครียดครึมของเชิฐถาหล่อนขยับปากอยู่หลายครั้งแต่ก็ต้องนิ่งเฉยซะเพราะจอมพรานผู้อ่านใจนายหญิงถูกอยู่ตลอดเวลารอบสะกิดแขนไว้หลายครั้งจึงนึกถึงข้อตกลงขึ้นมาได้ข้อตกลงนั้นก็คือจะมอบหน้าที่การเจรจาและการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างให้แกเชิฐา เพียงผู้เดียวขบวนนำฉเฉลยหรือมิฉนั้นก็อาคันตุ ก, กะต่างแดนเลี้ยวซ้ายเมื่อบรรลุถึงปากทางเข้าทวารอันแลลิว้วลึกเข้าไปในระหว่างเสาตรงานเรียงรายนับต้นไม่ถว้วนและเห็นทหารมือหนึ่งถือโลกอีกมือหนึ่งถือหอกยืนเฝ้าปากทางอยู่เป็นระยะขนทางที่จะผ่านเข้าไปนั้นใหญ่โตกว้างขวางมาก เพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นปัญหาอะไรเลยที่เมื่อชาวนี้ทุกคนเห็นรหัสสยะควบม้าห่อตะบึงขึ้นมาในพระราชฐานโดยไม่จำเป็นจะต้องเดินให้เสียเวลาการมองเห็นจากลักษณะอันใหญ่โตภายนอกขณะที่ยังยืนอยู่ในสนามประลองยุทธนั้นทำความตื่นเต้นให้กับฝ่ายฉเฉลยทุกคนมากพอแล้วในความมาลังมัเรืองของปราศาสตรเมืองมรกตครั้นเมื่อขึ้นมาเดินอยู่ภายในบริเวณ ได้เห็นฝีมือของสถาปัตยกรรมงานก่อสร้างซึ่งแทบจะเชื่อเสียมิได้ว่าสำเร็จขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงและมันสมองของมนุษย์ก็ยิ่งบังเกิดความตะลึงงงงานกันไปหมดเสาแต่ละต้นผนังศิลาตละแผ่นภาพแกะสลักภาพวาดริมทางที่ผ่านไปนั้นล้วนเป็นสิ่งงดงามปานเทพเจ้าเนรมิตขึ้นทั้งสิ้น พวกพลานพื้นเมืองพากันลืมตัวไปชั่วขณะเดินเหลียวหน้าเหลียวหลังเดินชมพระราชวังอันงดงามนั้นแพล่งชี้บอกกันให้ชมคงมีแต่ฝ่ายเจ้านายทั้งห้าคนเท่านั้นที่เดินไปแพลง่งก็ระมัดระวังกายไปทุกฝีก้าวย่างชั่วไม่นานนักจากช่องทางเดินอันมีทหารถือหอกยืนยามอยู่เป็นระยะนั้นพอเลี้ยวซ้ายอีกครั้ง ท้องพระโรงที่ออกว่าราชการแผ่นดินก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้าสิ่งแรกที่สายตาของทุกคนแลไปเห็นก็คืออาสนะหรือบัลลังก์ซึ่งประดิษฐานอยู่บนที่สูงเด่นใจกลางริมสุดของสถานที่ซึ่งเบื้องหลังประดับไปด้วยวิสูต์อันถักเป็นรูปราชสีทยานยืนอยู่กลางกลุ่มเมฆบนบัลลังก์นั้นร่างหนึ่งนั่งเป็นสง่าสงบนิ่งอยู่ อัญมณีและแพรพันธุ์ที่ประดับกายครองร่างอยู่ในขณะนี้ส่งประกายความวาววู่แม้จะมองในระยะห่างไกลมีพนักงานอันเป็นสตรีสาวสองนางยืนในที่ต่ำลงไปเล็กน้อยประจำอยู่คนละด้านคอยโบกวีพัดขนนกอันทําเป็นรูปประหลาดอยู่แช่มช้าไปมาแม้จะรู้ตัวล่วงหน้ามาก่อนแล้ว ทุกคนก็อดที่จะจ้องชะงักและวูบวิวในหัวใจอย่างประหลาดใช่ไได้เมื่อเผชิญกับบุรุษผู้นั่งอยู่บนบัลลังก์ประดับเพชรนั้นแน่ละ่ะเขาจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากอดีตมหามนตรีผู้ทรยศตราชวงศ์เทพและในปัจจุบันนี้ยกตนขึ้นเป็นกษัตริย์สิงหาราต่ำกว่าที่ประทับของกษัตริย์ลงมา เป็นอัศนะของมุขมนตรีเหล่าเสนาพฤทธามาตทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนลดหลั่นเป็นแนวกันลงมาอีกประมาณ24ที่นั่งซึ่งขณะนี้มีบุคคลสําคัญคู่บารมีนั่งประจําอยู่เต็มคงขาดอยู่ที่นั่งต่ํามาทางด้านขวาที่นั่งเดียวซึ่งก็คงจะเป็นที่ของอุปราชพระอนุชาอันขณะนี้ตกเป็นตัวประกันของเฉลยนั่นเองส่วนแวดล้อมทั้งซ้ายและขวา ซึ่งเว้นตรงกลางไว้เป็นบริเวณพื้นที่โลง่งเป็นที่นั่งและยืนของขาราชบริพานทั้งที่มีอาวุธและไม่มีอาวุธในเสื้อผ้าอาพรหลากสีดูแพ ร, ว, พรวไปหมดประมาณว่าผู้คนซึ่งอยู่ในท้องพระโรงอย่างตำแหน่งต่างๆเฉพาะที่เห็นผาดในครั้งแรกไม่ต่ำกว่า200คนรพินไพรวันดูเหมือนจะเป็นคนแรกที่เลือบสูงขึ้นไปยังระเบียงชั้นบนซึ่งมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม เหมือนที่นั่งดูโอเปร่าในโรงมหศรศพใหญ่เขาเห็นทหารในชุดขาวมือถือคันธนูพร้อมดอกศรซึ่งผ่าสายยืนเรียงรายอยู่นับร้อยประดังแน่นเต็มระเบียงไปหมดอาการชะงักของพรานใหญ่ทำให้ทุกคนพลอยหยุดชะงักไปพร้อมกันทั้งหมดยกเว้นจิตเสินกับพวกทหารที่แวดล้อมซึ่งยังเดินอยู่เป็นปกติแต่แล้วพวกนั้นพอรู้ว่าไเฉลยหยุดก็หยุดคุมเชิงบ้า ขบวนทั้งหมดจึงสนิทนิ่งอยู่กับที่ณนะบัดนี้ก่อนที่จะย่างเข้าสู่ใจกลางท้องพระโรงมีอะไรหรือผู้กองเชิดาซึ่งเดินนําอยู่เบื้องหน้าทุกคนแท้แต่มัวจ้องจับไปยังผู้ที่นั่งเด่นเป็นประธานอยู่ในท้องพระโรงจนไม่ทันจะสังเกตเห็นอะไรได้ถนัดถามขึ้นแผ่วเบาแทนคําตอบระพินบุยปากให้ดูขึ้นไปยังระเบียงชั้นบนรอบด้าน ทุกคนแงนมองตามแล้วก็เห็นตั้งแต่ศีษะจะรดปลายเท้าเข้าใจอะไรได้ดีในทันทีนั้นชยันกัดกรามแน่แย่ปากกระบอกปืนติดท้ายทอยอุปราชพระอนุชาแต่เชิดท้ายยกมือขึ้นห้ามสหายของเขาก่อนที่จะปฏิบัติการเกินเลยไปกว่านั้นแล้วเ อ, อ่ยขึ้นแถวต่ำกับรหัสยะวะ่ารหัสยะ นั่นพี่ชายของท่านเอาพลธนูจุกไว้ทุกช่องชั้นบนเพื่อเตรียมสังหารพวกเราเหรือรหัสยะวางศีีนาเรียปกติที่สุดตอบว่าพวกท่านระแวงขาดกลัวไปเกินกว่าเหตุเองที่นี่น่ะเป็นหน้าพระที่นั่งทหารที่ถือธนูบนระเบียงเหล่านั้นมีหน้าที่คอยถวายการอารักขาพระเชษฐาของเราเป็นธรรมเนียมปกติประจาวันเช่นนั้นเองในทุกครั้งที่ออกวาราชการแผ่นดิน ไม่ใช่จะเพิ่งมีทหารถือธนูเตรียมพร้อมในวันที่พวกท่านเข้าเฝ้านี่หรอเหตุที่เป็นดังนี้ก็เนื่องโดยกฎของราชฐานชั้นในปฏิบัติไว้เช่นนั้นเพราะว่าเคยมีคนทรยศปลอมแปลงปักปนเข้ามาในหมู่ของคนที่จะเข้าเฝ้าและพยายามจะบุกเข้าไปปลงประชนราชาองครัก์ที่ถือธนูคอยระวังอยู่บนนั้นก็จะส ก, กัดไอ้คนคิดร้ายต่อพระองค์ได้ทันท่วงทีพวกท่านจะต้องเกรงไปหญ่ ในเมื่อมีอาวุธวิเศษอยู่ในมือแล้วก็มีเราเป็นตัวประกันอยู่แล้วเช่นนี้ <c oughs> กล่าวจบรหัสยักษ์ก็หัวเราะ <c oughs> ในลําคอก่อนที่เราจะก้าวไปสู่ใจกลางท้องพระโรงอันหมายถึงตกอยู่ใจกลางเป้าหมายธนูนับร้อยที่เตรียมพร้อมอยู่นั่นรหัสยักษ์เราขอร้องอีกครั้งนะถ้าหาวกว่าก่อนต้อนรับเราเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์พระไทยแท้จริงของพระเชษฐาท่าน ก็ขอให้ท่านบอกกจิตเซนให้ไปกราบทูลกษัตริย์สิงหราถอนทหารธนูออกจากระเบียงนั่นซะให้หมดอย่าให้ยืนประจำเงื่อดเงื่อนธนูเตรียมพร้อมอยู่อย่างนั้นเชษฐาพูดเสียงเบาแต่เฉียบขาดจริงจังยิ่งนะักรหัสยะทาสรรรันศีสะอย่างอิดหนาราาใจและเห็นเป็นเรื่องไร้สาระระคนก็รอยยิ้มมินมินแล้วหันไปร้องสั่งจิตเสนตามความต้องการของเชษฐา จิตเสนก็ไม่กล่าวเช่นไรทั้งสิ้นกม้มศีรษะรับคำสั่งนั้นแล้วก็ทหารทั้งหมดคุ้มเฉลยรออยู่ก่อนตอนเองเดินอย่างรวดเร็วตรงไปยังท้องพระโรงอันเป็นที่ประทับของกษัตริย์สิงหราซึ่งบัดนี้มีระยะห่างออกไปประมาณห้าหกสิบเมตรกับฝ่ายอาคันตุกะต่างแดนที่หยุดยัง้งยืนเฉยอยู่ไม่ยอมเคลื่อนที่ทุกคนเห็นจิตเสนเข้าไปคุกเข่ากราบทูลอะไรกษัตริย์สิงหราอยู่ครู่หนึ่ง และต่างก็เห็นร่างนั้นค่อยค่อยลุกขึ้นยืนจากบัลลังเป็นร่างของชายอ้วนใหญ่ค่อนข้างเตีย้ยภายในเสื้อคลุมยาวและมีมงกุฎแหววับประดับอยู่บนศีรษะมืออวบใหญ่ด้านซ้ายยกขึ้นก่อนพางกวาดลงช้าชาโดยอาการนั้นทุกคนสังเกตเห็นพลธนูในชุดขาวที่ยืนแน่นขนาดอยู่ยังระเบียงด้านขวาของตนปลุกหายเข้าไปหมดราวกับเสกวยเวทหมด ต่อมาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินก็กระทำการเช่นเดิมอีกแต่ด้วยมือด้านขวาพลธนูซึ่งประจำอยู่อีกด้านหนึ่งก็ปล่าสนาการไปในบัตรดลดูเหมือนสีหน้าอันอูมกลมดวงนั้นจะยิ้มคราวนี้กวักมือทั้งสองในลักษณะตะวัดขึ้นเปน็นาการกวักที่ส่งความหมายเรียกมายังอาคันตุ ก, กะต่างแดงประเทศาสิงหราทรงเรียกพวกท่านแล้ว มีอะไรจะลังเลหรือขาดกลัวอยู่อีกล่ะเสียงรหัสสยะกล่าวขึ้นอย่างเยาอหยันเชษฐากัดริมฝีปากนิดหนึ่งค่อยๆดึงปืนสั้นออกจากซองแล้วพยักหน้ากับทุกคนแทนความหมายให้ออกเดินหน้าต่อขบวนทั้งหมดเคลื่อนที่อย่างแช่มชาต่อไปตรงเข้าไปยังใจกลางท้องพระโรงซึ่งปูราดไว้ด้วยพรมลวดลายวิกิป บรรยากาศอบอุ่นกรวนไปด้วยกลิ่นเครื่องหอมอันเกิดจากการเผาไม้ระเหยภายในท้องพะโรงเงียบกริบคงได้ยินแต่เสียงฝีเท้าของ11คนจากต่างแดนและทหารที่ควบคุมรายล้อมเข้ามาเท่านั้นซึ่งกระทบพื้นไม่เป็นจังหวัดพร้อมเพรียงกันนักเคลื่อนเข้ามาสายตาทุกคู่ของฝ่ายมรกรนครนจับนิ่งไม่กระพริบไปยังกลุ่มผู้ต่างแผ่นดินเหมือนจะพิจารณาดูสิ่งประหลาดอันไม่เคยเห็นมาก่อน ในที่สุดระยะเหลืออีกประมาณ 5-6 เมตรจะถึงชานของเวทีซึ่งยกสูงขึ้นไปจากระดับพื้นอันเป็นที่ตั้งของเก้าอี้หรืออาสนะที่เหลื่อมล้ำขึ้นไปสู่บัลลังก์ของกษัตริย์สิงหราผู้บัตดนี้ยืนระงงานอยู่ทหารที่ควบคุมเฉลยมาทั้งหมดเหล่านั้นก็แปรแถวแยกห่างออกไปทั้งสองด้านปล่อยแขกพิเศษแห่งราชสำนักให้ยืนรวมกลุ่มกันอยู่ตรงกลางความเงียบ เงียบขนาดเข็มตกได้ยินยังคงคลุมบรรยากาศอยู่เช่นนั้นระพินไพรวันในความรู้สึกของพรานและนักแม่นปืนเขาพอใจแล้วในตำแหน่งที่เข้ามาหยุดยืนอยู่นี้เพราะถ้าหากเกิดเหตุร้ายใดๆขึ้นเขาและพวกย่อมสามารถยิงกริยัสิงหราคว่มโคโลไปได้ภายในพริบตาก่อนที่ชีวิตของพวกตนเองจะแตกดับลงและทุกคนของฝ่ายเขารู้ล่วงหน้า ดีว่าใครควรจะมองระวังไปยังด้านใดบ้างทหารขมังธนูที่ยืนเรียงรายประจำอยู่บนระเบียงหายไปหมดแล้วไม่ปรากฏเงาให้เห็นอีกเลยอัสนะด้านซ้ายอันใกล้เคียงกันอีกแท่นหนึ่งซึ่งยังว่างอยู่ทั้งหมดมองไปพบขุนพลเท่าที่ปรึกษาฝ่ายทหารกุตตมะนั่งเป็นสงาสีหน้าเรียบขลึมอยู่เช่นนั้น ดูจากตำแหน่งที่นั่งภายในท้องพระโรงของเขาฝ่ายเฉลยทุกคนก็ตรหนักได้แน่ว่ากุฎมะนั้นมีความสำคัญสำหรับสิงหาราเสมอด้วยแขนเบื้องซ้ายนั่นทีเดียวในระยะที่ไม่ห่างกันออกไปนักระหว่างเวทีสูงกับพื้นราบของท้องพระโรงที่ทุกคนมาหยุดยืนนิ่งอยู่ต่างฝ่ายต่างแลเห็นกันได้ถ น, นัดที่สุดในระยะใกล้สิงหาราเป็นชายร่างสมบูรณ ใบหน้าอวบอูมบ่งถึงอำนาจวาสนาลักษณะจะเป็นผู้ใช้ปัญญาซะมากกว่ากำลังกายข้าหน้าของเขาประพริงประพายคล้ายรหัสสยะอยู่บ้างเหมือนกันแต่ดูหน้ากลัวกว่าจากแววตาที่เป็นประกายกรอกลิ้งซะยิ่งกว่าเพชรเม็ดเขืองที่ประดับอยู่บนยอดของมงกุฎคราวดสนิทถักเรียบติดกับผิวแก้มและคางที่อวบอูมและ ที่น่ากลัวเหนืออื่นใดก็คือใบหน้านั้นยิ้มละไมเชษฐาก้าวล้ำออกไปเบื้องหน้าก้มศรีรษะลงนิดนึงพร้อมกับประกาศขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าในานามของอาคันตุ ก, กะต่างแดนซึ่งล่วงทานเข้ามายังดินแดนของท่านขอให้กระสัสิงหาราจงเจริญ บุรุษภายใต้มงกุฎอันประมาณค่าไม่ได้นั้นเอียงคอเหมือนจะคอยฟังทุกคำพูดถ้อยกระทงความของเชษฐาแล้วพงกศีรันอย่างเช่มช้าขอบใจขอบใจในคำพรของท่านแล้วก็เช่นกันมรกฎนครขอต้อนรับพวกท่านทั้งสิบสองคนในฐานะแขกเมืองผู้ทรงเกียรติสิงหาราณเน้นคำว่าสสองคนหนักลึก ด้วยเสียงอันแหลมเล็กชัดเจนจนทำให้ฝ่ายอาคัรตุกตะทั้งหมดเย็นวูบไปอีกครั้งตลอดเวลาที่พวกท่านเยียบย่างเข้ามาในแผ่นดินของเราเราแน่ใจว่าได้ต้อนรับพวกท่านเป็นอันดีทุกระยะบัดนี้ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่ท่านจะมอบน้องชายของเรารหัสยะคืนออกจากการยึดเป็นตัวประกันสถี เชิดาวราริดทรงเข็มขัดฝักดาบคืนให้กรหัสสยะแล้วพยักหน้ากับชยันเป็นความหมายอดีตนายทหารปืนใหญ่จึงถอนปากกระบอกปืนออกจากการจี้สะกดหลังถ้าอนุชารหัสสยะรับสายเข็มขัดดาบไปคาดไว้ตามเดิมแล้วเดินเข้าไปกระชากมีดสั้นคืนมาจากเป้หลังของบุญคำเน็บไว้ที่เอวด้วยกิริยายโสโอหังจากนั้นก็เดินแหวกฉเฉลยทุกคน ก้าวขึ้นไปยังตำแหน่งอันเป็นที่ประดิษฐานอาสนะของตนเบื้องหน้าของกษัตริย์สิงหราเขาชะโงกหน้าเข้าไปกระซิบอะไรอยู่ริมหูของพี่ชายซึ่งเงียบฟังอยู่ครู่เดียวก็กระแทกกายลงนั่งยังที่นั่งของตนสีหน้างำบอกบุญไม่รับกษัตริย์สิงหราค่อยๆ่อยยอนกายลงนั่งบนบันลังตามเดิมใบหน้านั้นไม่ส่อความรู้สึกใดๆให้ฝ่ายตรงข้ามอ่านได้ทั้งสิน้น อาคันตุกะทุกคนเราจะไม่กล่าวคำใดให้เป็นที่อ้อมค้อมเสียเวลาอีกทั้งสิน้นเพราะตลอดระยะทางที่ท่านร่วมเดินมากับประหั ส, สยะและกุตมะนะก็คงจะทราบดีอยู่บ้างแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเสียงเล็กแหลมผิดไปจากรูปร่างนั้นกล่าวขึ้นเราจะขอถามท่านแต่เพียงว่า ที่พวกท่านบุกบันเดินทางกันมาจนถึงแผ่นดินของเราเนี่ยโดยวัตถุประสองค์อันใดนทุกคนใจเต้นระทึกแต่พยายามสะกดอารมณ์นิ่งปล่อยหน้าที่การเจรจาให้กับท่านหัวหน้าคณะตามลําพังเราก็ได้บอกกับรหัสยะและกุตมะไปแล้วนี่ว่าเรามาเพื่อติดตามหาตัวน้องชายและพรานนําทางซึ่งได้ทราบข่าวว่าหายเข้ามาในแผ่นดินของท่าน เราไม่มีวัตถุประสงค์ร้ายใดๆแอบแฝงอยู่ทั้งสิน้นที่ตามมาก็เพื่อจะให้รู้ชัดว่าเขาได้มาถึงที่แผ่นดินนี้จริงหรือไม่ยังมีชีวิตอยู่หรืออย่างไรหากเขาทั้งสองยังมีชีวิตอยู่เราก็จะขอรับตัวกลับไปนี่คือวัตถุประสงค์ที่ผ่านแดนเข้ามาสิงห์รายเอียงคอและยกมือขึ้นป้องหูอีกด้านหนึ่งเหมือนจะฟังอะไรที่กระซิบบอกความอยู่ข้างๆ ต่อมาจึงพยักหน้าแช่มช้าเอาละเอาละเราจะบอกให้ตามตรงเหมือนกันน้องชายของท่านและพระนำทางในะยังมีชีวิตอยู่ภายใต้าการเลี้ยงดูอย่างดีของเราแต่หนึ่งในจำนวนสิบสองคนของพวกท่านที่ผ่านแดนเข้ามาในขณะนี้นะ่ะอยู่ที่ไหนคำพูดประโยคแรกของกษัตริย์สิงหารา ทำให้ทุกคนของฝ่ายฉเฉลยที่ได้สดับอยู่ในขนาดนี้แทบจะระ ง, งับความปรีดาเอาไว้ซะไม่ได้หม่อมราชวงศ์อนุชาวราริษกับนั้นอินยังมีชีวิตอยู่จากคำรับรองของผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้เป็นไปได้หรือนี่แต่ประโยคเดียวกันนั่นเองทว่าในตอนท้ายที่ถามมาถึงคนที่สิบสองซึ่งก็ไม่ใช่ใครแง้าสายนั่นเอง เป็นคำถามที่ทำให้ใจของทุกคนสั่นแม้กระทั่งจอมมักคุเทศรพินไพรวันเองแล้วเขาก็คอยดูว่าคุณชายเชษฐาผู้เป็นหัวหน้าคณะจะใช้ไหวพริบปฏิพาน์เช่นไรในสถานการณ์นี้มาเรียนนั้นอันเนื่องมาจากร้นิษยสามีจำเป็นของหล่อนดีมาก่อนจึงจับข้อมือบีเพื่อเตือนสติไว้ตลอดเวลาซึ่งก็ได้ผลชัยยันไม่ปริปาทําใดอีกเลย นอกจากยืนถือปืนคอยระวังตัวพร้อมไม่มีแววสะดุดช ง, งักหรือสะดุ้งสะเทือนอย่างใดจากเชิฐาขณะที่ได้ยินคำย้อนถามเช่นนั้นเขาก้มศรีรษะให้อีกครั้งเหมือนจะแสดงความอ่อนน้อมและตอบชัดเจนเรียบราบเกินกว่าที่คณะพักจะคิดไปได้ถึงว่าถ้าแต่กรรษัตริย์สิงหราผู้เป็นใหญ่ ผู้มีโสดและเนตรประดุดทิพ์ซึ่งสามารถล่วงรู้เห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างเราขอยอมรับต่อหน้าท่านในบัดนี้ว่าพวกเราทั้งหมดได้มากันสิบสองคนจริงตามที่ท่านกล่าวแต่คนที่สิบสองอันไม่ได้ถูกจับหรือควบคุมมาด้วยนั้นขณะ น, นี้ได้หลบซ่อนอยู่ยังที่ใดที่หนึ่งซึ่งเราในฐานะของหัวหน้าคณะเดินทาง เป็นผู้กำหนดให้เขาเปลี่ยนตัวหลบซ่อนไปเองเรารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเรามีทางที่จะเอาตัวเขามามอบแก่ท่านได้ทุกเมือ่ออดีตนายพันโททูตทหารบกเน้นเสียงประโยคหลังดังกึกก้องไปทางทองพระโรงพร้อมทั้งกว่าตามองไปยังบรรดาเสนาข้าราชบริพารของกรรษัตริย์สิงหราที่แวดล้อมอยู่นับร้อยๆเหล่านั้น เหมือนจะให้รับฟังได้ยินไว้ด้วยเพราะตระหนักแน่ว่าบุคคลในที่ประชุมเหล่านั้นล้วนเป็นบุคคลชั้นสำคัญทั้งสิ้นสิงหรามีสีหน้าทึ่งและสนใจเต็มที่จ้องขมือมาอย่างกระวนกระวายใจเชิทฐาซ่อนยิ้มไว้ภายในอย่างมิชิดประกาศต่อมาว่าแต่เราขอประกาศณที่นี่อีกครั้งว่า เราไม่ได้มีเจตานาจะนำบุคคลนั้นเข้ามาเพื่อก่อให้เกิดกลิยุกใดๆในแผ่นดินของท่านเราไม่รู้มาก่อนว่าเขาเป็นใครเขาสมัครมากับพวกเราในฐานะคนใช้และลูกหาบเหมือนคนเหล่านี้ขณะที่กล่าวคำนั้นเฉิถาชี้มือไปยังพรานพื้นเมืองที่ยังหาผามสัมภาระติดตัวอยู่ไม่ยอมวางเราเพิ่งจะมารู้เอาเมื่อถึงที่นี่ว่ แท้จริงเขาเป็นคนที่เกิดในแผ่นดินนี้และมีเจตนาจะหวนกลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนของเขากษัตริย์สิงหรายิ้มออกมาน้อยๆพยักหน้าชา้ชาๆพร้อมกับเอามือลูบเขาอย่างพอใจในขณะที่รหัสยะและกุตตะมะนั่งเฉยส่วนเสนาข้าราชบริพารทั้งนั้นพากันชะโงกหน้าเข้าไปซุบซิบกันเสียงเหมือนหมีกินพ่ง แซดไปทั้งราชฐานอันใหญ่โตแต่แล้วเสียงเหล่านั้นก็เงียบสงบไปในทันทีเมื่อสิงหารายกมือขึ้นเหมือนจะเป็นสัญญาณให้ทุกคนนี่ท่านเหลอที่มีนามว่าเชษฐถาเป็นหัวหน้าคณะเดินทางใช่หรือไม่น้ำเสียงนั้นถามมาอย่างนุ่มนวลใช่แล้วเราคือหัวหน้าคณะ แล้ใครล่ะใครที่ชื่อระพินเป็นมักคุเทศผู้นำทางมาในครั้งนี้จอมพรานยังยืนเฉยเชษฐาก็เลยชี้บอกไปตามตรงนั่นคนนั้นคือพรานนำทางหรือมักคุเทศของเราสายตาอันกลิง้งกรอกราวกับพ่อมดของสิงหราเบนไปจ้องที่จอมพรานและพยักหน้าเนิบเนิบอยู่เช่นนั้ น, นใช่คนนี้เองเหรอ ตัวเล็กนิดเดียวแต่มีความสามารถมากที่นําพวกท่านมาจนถึงดินแดนนี้ได้และผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินก็ชี้มือกราดมาที่ดารินมาเรียและชัยยันเหมือนจะเตือนให้เชษดถามแนะนําท่านหัวหน้าคณะรู้เชิงนั้นใช้ร่างใหญ่คนนั้นนเป็นสหายรักของเราเขาชื่อชัยยันหญิงผมสีทองนั่นเป็นพัญญาของเขาชื่อมาเรีย ส่วนหญิงผมดํานี่เป็นน้องสาวของเราเองชื่อดารินนอกนั้นเป็นลูกหาบนําทางของเราเจ้าพรานนาทางนั้นสงบประดุดน้ํานิ่งที่ไหลลึกนักนะเสียงสิงหารากล่าวเนิบเนิบประดุดรําพึงกับตนเองเริมฝีปากพลายไปด้วยรอยยิ้มตั้งแต่ประชิญพบหน้ายังไม่มีเฉลยคนใดเห็นว่าบุรุษสําคัญที่สุดในแผ่นดินนี้ จะมีสีหน้าอันบื้องตึงผิดไปจากท่าทีของรหัสยะซึ่งเต็มไปด้วยการวางเคืองปัญญาและท่าทีของสิงหานันเหนือกว่าน้องชายมากนะส่วนชายร่างใหญ่สหายของท่านดูท่าจะเจ้าโท่ศักและออกจะเขาเมียผิวเผือกผมทองของเขานะ่าสวยมากนะแต่น้องสาวผมดำของท่านก็งามงามไม่มีที่ติ เป็นคำวิจารย์อย่างปวดแสบปวดร้อนในความรู้สึกของทุกคนที่ได้ยินชายันขยับจะอ้าปากแต่มาเรียหยิกตเต็มแรงจึงนิ่งได้แต่หัวร้อยอยู่ในลำคอพวกเจ้าทั้งหมดมีความสามารถมากที่เพียรพยายามเดินทางมาจนถึงดินแดนของเราได้อยันนึกนะว่าเราจะไม่รู้ว่านอกเหนือจากขอบกั้นของเทือกเขาพระศิวะออก มีมนุษย์โลกอาศัยอยู่มากมายนักหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์หลายแผ่นดินหลายเขตแคว้นแต่เราชาวมรกรณนะครนาหาได้เคยสนใจที่จะติดต่อกับโลกภายนอกไหมและโลกภายนอกก็หาได้ล่วงรู้ว่ามีแผ่นดินใหญ่อีกแผ่นดินหนึ่งอยู่กันอย่างปกติสุขอยู่กันอย่างรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมภายในม่านบางของหมอกและหิมะ ที่ปกคลุมเป็นฉากกั้นอยู่เบื้องนอกโดยรอบนอกจากนานๆานครั้งจะมีคนบางคนหรือบางคณะที่พอจะล่วงรู้ความลับนี้ได้เพียนเดินทางบุกบั่นเข้ามาและมันพวกนั้นก็ไม่มีโอกาสจะได้กลับออกไปสู่โลกภายนอกได้อีกเลยทุกยุคทุกสมัยมาแล้วเพราะมันไม่ได้เข้ามาด้วยเจตนาอันสุดจริจยใจแต่เข้ามา เพื่อหมายชกชิงเอาทรั พ, พยากรสมบัติอันมีค่าของแผ่นดินเราออกไปซึ่งมันไม่มีวันจะทำได้สำเร็จแม้แต่ครั้งเดียวสิงหาราหยุดเว้นระยะไปนิดหนึ่งหันไปช่วยเอาคนโทรบรรจุน้ำธรรมดาหรือมิฉะนั้นก็น้ำดื่มมีดีกรีประเภทเหล้าหมักซึ่งตั้งอยู่ยังแท่นใกล้ๆขึ้นมาจิตก่อนที่จะกล่าวน้าเสียงประดุดมิตรต่อไปว่า พวกเจ้าทั้งสิบสองคนที่เดินทางกันมานี่แม้จะมีความสามารถก็จริงแต่ก็ยังไม่เก่งกาจสามารถเท่ากับชายสองคนที่ล่วงหน้ามาก่อนแล้วเพราะพวกเจ้ามีอุปกรณ์และมีจำนวนคนมาด้วยกันมากพอสมควรแก่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันส่วนสองคนนั้นมากันเพียงสองชีวิตเท่านั้นแล้วก็มาถึงที่นี่ได้เหมือนกัน ถึงอย่างมีสวัสดีภาพเส้นด้วยกล่าวจบสิงหราก็หัวรอกกระหึ่มไปทั้งทองพระโรลเชิฐายิ้มตอบจริงที่ท่านกล่าวมันเป็นความจริงน้องชายของเราและพรานนำทางเป็นผู้มีความสามารถที่เขาเดินทางล่วงหน้ามาก่อนเราจนถึงดินแดนนี้ได้โดยไม่ล้มตายในระหว่างทาง อันแสนจะทารุณธุระกันดานสะก่อนข้อนี้แม้แต่มักคุเทศผู้นำทางของเราก็ยังยอมรับและเราขอบใจท่านเป็นอย่างสูงด้วยถ้าหากเขาทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ภายใต้ความการุณาของท่านอาคันตุ ก, กะขอพูดถึงคนที่สิบสองในคณะของท่านสะก่อนเถอะท่านกล่าวไม่ใช่หรอ ว่าท่านเป็นผู้ที่สั่งให้หลบหนีไปซ่อนตัวซะก่อนและท่านก็รู้ว่าขณะนี้มันผู้นั้นหลบซ่อนอยู่ที่ไหนใช่แล้วเรากล่าวเช่นนั้นก็แล้วท่านมีเหตุผลอย่างไรจึงสั่งให้คนคนนั้นหลบไปซะก่อนในขณะที่เยียบย่างเข้ามาในดินแดนนี้ผู้เริ่มต้นสอบสวนในครั้งนี้ แทนที่จะเป็นกระสัสิงหรากลับกลายเป็นเสียงอันเย็นกระด้างของกุตตมะซึ่งเจราจาแทนภายหลังจากสิงหราได้พยักหน้าให้สัญญาณทางฝ่ายมรกรนครเปลี่ยนจากการเสวนาปราศัยมาเป็นดำเนินการสอบซักรหรือไต่สวนคดีแล้วโดยการเปลี่ยนตัวบุคคลแต่ทางผู้พลัดแดนเข้ามายังยืนโรงการโต้อตอบโดยท่านหัวหน้าคณะ ที่ทุกคนมอบความไว้วางใจให้ตามเดิมเพราะนหนักดีว่าคนอย่างเชิถทาวราริทย่อมเต็มไปได้วยแผนและปฏิพานธ์คำถามของกุตมะทำให้ทั้งหมดเปลี่ยนสายตาไปยังอดีตขุนพลขวาแห่งราชวงศ์เทพซึ่งบัดนี้กลายมาเป็นฝ่ายของพวกทรราชอีกครั้งจารินจ้องยังโกรจัดหล่อนไม่คิดมาก่อนว่าตะแกคนนี้จะตีหน้าได้สารพัด แต่ก็ฉลาดพอที่จะสงบนิ่งไว้ส่วนเชษฐานั้นมิมีปฏิกิริยาเช่นใดคงมองไปทางกุตมะเหมือนคนไม่เคยพบปากกันมาก่อนก็เพราะเราสังหอนอยู่แล้วน่ะสิว่าน่าจะเกิดเหตุร้ายกับพวกเราทั้งหมดได้เราจึงสั่งให้เขาหลบหนีไปซะก่อนที่ทหารของพวกท่านจะเข้าล้อมจักอาคันตุกะ ท่านยังพูดด้วยว่าท่านสามารถจะไปตามตัวบุคคลผู้นั้นมาให้ฝ่ายเราได้เช่นนั้นใช่ไหม <_ Louise> นั่นน่ะไม่มีปัญหาอะไรหรอกเรารับรองว่าจะนำตัวมาให้แกพวกท่านได้หากต้องการถ้างั้นเราอยากจะรู้ว่าเขาบอกอะไรแกพวกท่านบ้างก่อนที่ท่านจะให้เขาหลบหนีไปก่อนทาหารเราจะเข้าลอ้อม เขาก็ไม่ได้บอกอะไรเรามากเชิฐาตอบน้ำเสียงปกติสีหน้าตายก็อย่างที่เราได้ทุนกษัตริย์สิงหราแล้วคือเขาบอกเราว่าเขาเกิดในแผ่นดินนี้และหลงพลัดจากแผ่นดินเกิดไปแต่เด็กเมื่อเติบใหญ่ขึ้นเขาก็คิดอยากจะกลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนจึงอาสาสมัครเป็นคนใช้มาในคณะเราเขาไมา่ได้บอกเรื่องนี้แกเราในครั้งแรก เพิ่งจะมาบอกเอาเมื่อถึงแผ่นดินนี้แล้วรหัสเยะยกมือชี้หน้าทะลุ ก, กลางกล้องมาว่ามุกษาหรือมิฉะนั้นก็มีอะไรที่ยังซ่อนเร้นติดบางเราอยู่แล้วอุปราชพระอนุชาก็หันไปทางดารินชี้มือกราดมาทางหลอดแม่นาง ในระหว่างที่ควบคุมเราเป็นตัวประกันอยู่ในตำหนักกลางอุทยานแม่น า, นางผมดำคนนั้นเอ่ยนามจั ก, กรราชให้เราได้ยินเราอยากรู้ว่านางเวรย์นามนั้นมาจากไหนเชดิดขาอึง้งไปเหมือนกันดารินก้าวออกมาข้างหน้ากระซิบกับพี่ชายว่าพี่ใหญ่คราวนี้ให้น้อยพูดบ้างนะคะพี่ชายพยักหน้า หล่อนจึงยืดกายขึ้นเต็มส่วนสัตว์มองไปยังทุกคนที่นั่งอยู่บนอาสนะแห่งความเป็นใหญ่อยู่เหนือแผ่นดินนี้ซึ่งลดหลั่นลงไปเป็นลำดับรหัสสยะทขานคงจำได้นะว่าพวกเราได้ขออนุญาตจากท่านไปทำการรักษาพวกโจรขบฏในวันเดียวกับที่กุตมะถูกธนูโจรใช่เราจำได้ก็วันนั้นแหละ พวกโจรเหล่านั้นนะ่ะเขาเล่าให้เราฟังเขาเอ่ยนามถึงจั ก, กรราชราชโอรสแห่งอดีตกษัตริย์วิษณุพรหมนาถซึ่งพระราชมารดานำเสด็จหนีภัยจากการโค่นล้มราชบัลลังก์ออกจากมรกรนครไปได้พวกเขาบอกกับเราว่าหากจักรราชยังมีพระชนชีพอยู่พระองค์ก็ย่อมจะเป็นกษัตริย์อันถูกต้องของแผ่นดินนี้นี่เป็นคำพูดของพวกโจรขบฏชุดนั้น ที่เราขอถ่ายทอดให้ฟังเราจรึงจำนามของจักรราศได้ตั้งแต่นั้นมาและเอ่ยนามนั้นออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจสาเหตุที่เรากล่าวนามนี้ออกมาเพราะอะไรนะ่ะท่านรหัสยะก็หนักดีอยู่แล้วนี่หล่อนเว้นระยะเพื่อใช้สมองตอนนั้นรหัสยะเอาดาบของตนฟันดาบเดินป่าของพวกเราที่ทำด้วยเหล็กเบาบางกว่ามาก ขาดสะบั้นไปสองท่อนแล้วก็เจราจาเหยียดยามพวกเราเราจึงกล่าวว่าระว่างดาบของรหัสยะกับดาบของจักรราชนะใครจะคมกว่ากันเราพูดโดยโทรศะไม่ได้มีความหมายใดๆมากไปกว่านั้นอีกทั้งเราก็ไม่ทราบด้วยว่าคนใช้ที่ติดตามเรามาด้วยเป็นคนที่สิบสองนั้นจะเป็นคนเดียวกับจักรราชหรือไม่ ความเงียบปกคลุมขึ้นอีกครั้งสิงหาลาเอียงหน้าไปกระซิบหาหรือกุตมะครู่หนึ่งแล้วตะแคงเข้าไปซุบซิบกับระหัสเยะน้องชายอีกครู่หนึ่งต่อมาจึงเอ่ยขึ้นว่าอาคันตุกะนี่ท่านบุกบันเดินทางมาแสนไกลนี่ต้องการเพียงน้องชายของท่านกับคนนําทางกลับคืนไปเท่านั้นเองไม่ใช่หรอือใช่เราต้องการเพียงเท่านั้นเอง ส่วนฝ่ายเราสิ่งที่ต้องการจากท่านก็เพียงขอตัวคนที่สิบสองซึ่งมากับท่านถ้าท่านมอบตัวคนคนนั้นให้แกเราเราก็ยินดีที่จะคืนชายต่างแดนสองคนที่เรายึดตัวไว้ก็ดูเหมือนจะยึดตัวไว้เพื่อรอการมาของพวกท่านนั่นแหละให้กลับคืนไปพวกท่านจะพำนักอยู่ในนครนี้อย่างแขกผู้มีเกียรติจนพร้อมที่จะออกเดินทางกลับบ้านเมืองเมื่อใด เราก็ยินดีเสมอแต่ท่านต้องเอาตัวบุคคลผู้นั้นมามอบให้เราให้ได้เฉถายิ้มไพรและยังไม่มีอาการลังเลคิดเลยเพราะเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วเขาก้มศรีรษะให้แก่อดีตมหามนรีผู้ทรยศอีกครั้งไม่มีปัญหาอะไรในข้อนั้นหรอกเราพร้อมเสมอที่จะเอาตัวคนคนนั้นมามอบให้แก่ท่านจงได้ เขาอาจหลบซ่อนพวกท่านพ้นได้แต่ไม่อาจหลบซ่อนไปจากเราได้หรอกเพราะพวกท่านไม่รู้จักหน้าเขาแต่เรารู้จักเมื่อตกลงกันได้เช่นนี้สิ่งแรกที่เราจะขอจากท่านก็คือขอให้ได้พบเห็นหน้าน้องชายกับพรานนาทางก่อนอื่นทุกคนลอบถอนหายใจเบาๆเฉษฐาวราลีวางแผนเข้าเป้าหมายแล้วจริงๆ ข่าวหน้าอันยากจะอ่านความคิดของสิงหราดูเหมือนจะมีรอยยิ้มที่แววตาจุดประกายขึ้นอาคันตุกะเราพร้อมที่จะให้พวกท่านได้พบกับบุคคลทั้งสองเสมอถ้าหากว่าท่านให้สัญญาอย่างที่พูดมาแล้วขณะนี้เราขอบอกตามตรงว่าเราได้คุมขังน้องชายของท่านจํากัดอนณาเขตไว้ภายในที่จองจำ แต่ก็เลี้ยงดูเป็นอันดีไม่ให้เดือดร้อนทุกยากใดใดทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอิสระที่จะไปไหนมาไหนได้ในมรกรนคอนี้เท่านั้นด้วยเราเกรงว่าเขาจะได้รับอันตรายจากชาวเมืองเพราะประชาชนของเรานะี่ยไม่ประสงค์จะเป็นมิตรกับคนแปลกท่นว่าแต่พวกท่านพร้อมที่จะไปพบกับคนทั้งสองเมื่อไรเราต้องการพบเดี๋ยวนี้เชิดาบอกโดยเร็ว ส่วนในใจของอีกสิบคนนั้นก็พูดเป็นทานองเดียวกันทั้งหมดก็ถ้าเช่นนั้นเราใจถา น, านนำท่านไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่สิงหาราจะพูดจบประโยคดีและระหว่างที่สอดสายสายตาเพื่อจะออกคำสั่งกับแม่ทัพนายกองคนใดอยู่เชษฐาก็สอดขึ้นโดยเร็วว่าบุคคลที่จะนำพวกเราไปพบกันน้องชายของเรานะเราขอให้เป็นกุตามะ ที่ปรึกษาราชการทหารของท่านส่วนบุคคลอื่นๆนะไม่จำเป็นจะมีไปด้วยก็ได้หรือจะมีเฉพาะกุตมะคนเดียวก็ได้เราไม่ขัดสิงหราเบิกตาทาเอียงคอนิดนึงเกาที่ปลายคางแล้วหัวเราะเบาๆทำไมล่ะท่านทำไมจะต้องเป็นกุตมะทำไมจะต้องเอาชายชาราซึ่งขณะนี้อยู่ในภาวะพิการ เจ็บป่วยเข้าไปในที่คุ้มขังกับท่านด้วยคำพูดนั้นดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความปรารถนาดีและปราณีเสือเหลือหลายใครจะเข้าใจอย่างไรในขณะนี้ไม่ทราบได้แต่ละพินไพรวันผู้เงียบกริบและมองนิ่งไปที่กุตมะอยู่ตลอดเวลาเขาบอกกับตนเองว่าจะเป็นด้วยอุปาทานหรือสิ่งใดไม่ทราบได้ เมื่อได้ยินเชษฐากล่าวขอตัวกุตามะไปเป็นตัวประกันที่ปรึกษาฝ่ายทหารมีประกายตาวาวขึ้นมาในทันทีนั้นและขณะที่มองจ้องตาเขาอยู่ในขนะดนี้ก็เป็นสายตาวิงวอนขอร้องแต่จะเป็นการวิงวอนขอร้องในวัตถุประสงค์ใดนั้นเขาไม่ประจักษ์แล้วก่อนที่เชษฐาจะกล่าวเช่นไรต่อไปสิงห a r ก็พายมือไปมาทางน้องชาย ท่านรู้ดีอยู่แล้วนี่ว่ารหัศยะคืออุปราชแห่งนครนี้มีความสําคัญแก่เรายิ่งนักถ้าท่านไม่ไว้วางใจเราในระหว่างจะเดินทางไปพบน้องชายในที่คุมขังท่านจะเอารหัศยะไปเป็นตัวประกันอีกครั้งก็ได้นี่แต่ขอคนแก่ไว้เถอะเชษฐาก็บอกกับตนเองได้ในขณะนั้นทันทีว่าเขาควรจะเลือกใคร ท่านอุปราชพระ อ, อนุชาณนะได้อยู่เป็นตัวประกันของฝ่ายเรามานานพอสมควรแล้วสมควรที่จะได้พักผ่อนบ้างเอาเป็นว่าคราวนี้นะเราต้องการตัวกุตมาเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่ต้องการใครอื่นทั้งสิ้นสิงหารายมมุมปากลีลาของบุรุษผู้นี้นะยิ่งกว่ารหัสเสยหลายเท่านักนุ่มนวลเยือกเย็นที่สุดแต่ยังไม่มีใครทายถูก ว่าจะเยี่ยมและเลือดเย็นซักเพียงไหนเขาเบือนหน้าช้าๆไปทางกุตมะว่าไงท่านกุตมะแขกพิเศษผู้กำลังจะเป็นมิตรที่แน่นแฟนต่อไปของเรานะ่ะต้องการตัวท่านไปเป็นเพื่อนด้วยในระหว่างเข้าไปเยี่ยมนักโทษในที่จองจำก็สุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดกล้าวพระเจ้าค่ะ กุตมะพนมมือไว้ที่อกตอบอย่างสงบสิงหราถอนใจนิดนึงยังเจตนาที่จะให้เห็นหันกลับมาบอกเหมือนจะตัดใจว่าตกลงท่านจะเอาตัวกุตมะไปเป็นตัวประกันก็ได้กลับใดก็ตามที่ท่านยังไม่ไว้วางใจทางฝ่ายเราก็ดีเหมือนกันเมื่อท่านได้พบน้องชายและคนนําทางของเขาเป็นที่พอใจแล้ว อยได้หารือ ก, กับกุตมะต่อไปว่าจะวางแผนร่วมมือกับทางเราอย่างไรในด้านบุคคลที่เราต้องการตัวและสิงหราก็ยืนขึ้นประกาศเป็นคําสั่งอันเป็นสิ่งที่ต้องการให้กึ่งเฉลยกึ่งแขกเมืองซึ่งมีอานาจปืนเป็นเครื่องต่อรองอยู่ในขณะนี้มีการเคลื่อนไหวในหมู่ทหารเสลียงถูกแบกเข้าไปรับตัวกุตมะที่แท่น เชิดาโบกมือให้คนแบกเสลียงทั้งสี่ซึ่งเขาจำได้ว่าเป็นสี่คนชุดเดิมที่แบกเสลียงของกุตมะให้นำอาที่ปรึกษาทางทาหารผู้เท่าเข้ามารวมพวกอยู่กับฝ่ายเขาใจกลางเอาละบัดนี้กุตมะก็พร้อมที่จะนำท่านไปพบกับบุคคลที่ท่านต้องการพบเห็นเป็นอันดับแรกแล้วสิงหราประกาศยิ้มยิ้มในขณะเดียวกัน เขาก็จะเป็นตัวประกันให้แก่ฝ่ายท่านด้วยในขณะที่เดินลงไปในคุกใต้ดินของราชฐานมรกฎนครพวกท่านพร้อมแล้วหรือยังที่จะออกเดินทางพวกเราพร้อมแล้วท่านหัวหน้าคณะของการเดินทางมาหาภัยบอกสิงหราดีดนิ้วเบาๆแล้วโบกมือกองทหารที่ควบคุมตัวมาแต่แรกก็นำเป็นขบวนขนาดสองข้าง โดยการออกแขกผู้มีเกียรต์ไว้ใจกลางมีกุฏธมะอยู่กลางวงแวดล้อมอีกชั้นหนึ่งเดินออกทางเฉลียงด้านขวามือของทองพระโรงโดยผ่านไปในระหว่างเสาหินที่ประดังแน่นไปด้วยข้าราชบริพานที่เฝ้าแหนอยู่ทั้งหลายมิชามินานก็ผ้นจากบริเวณ น, นั้นเข้าสู่พื้นหินราบโลกงอันเป็นระเบียงส่วนในของราชฐาน หลายหน้าไปทางด้านตะวันตกของตัวมหาปราศาสตรไม่มีใครพูดคำใดในขณะนั้นระพินเดินอยู่ริมเสลียงของกุตมะและพยายามมองหน้าอยู่ตลอดเวลาเขาเห็นนานๆครั้งขุนพลผู้ทรยศต่อราชวงศ์เทพซึ่งมีพฤติการท่าทีอันลึกลับยากที่จะอ่านที่สุดปลายหางตามาสบเขาบ่อยครั้ง กุตมะเสียงดารินเอ่ยทำลายความเงียบขึ้นเราไม่ยักรู้มาก่อนนะว่าสิงหราจะมองเห็นความสำคัญของท่านเสีมากกว่ารหัสยะผู้เป็นอนุชาซะอีกกุตมะไม่ตอบเอ็นกายพิงเสลียงตามสบายทอดสายตามองข้ามหัวทุกคนไปเบื้องหน้าอย่างปราศจากจุดหมายสิ้นสุดทางเดินตามระเบียงอันยาวเหยียดนั้น ก็ลงสู่บริเวณอุทยานหรือสวนพฤกษชาติอีกครั้งหนึ่งแต่ทุกคนคะเนไม่ถูกว่ามันจะเป็นด้านใดของบริเวณอุทยานอันกว้างใหญ่นั้นและตัวตำหนักที่มาพักกันอยู่ครั้งแรกอยู่ทางส่วนไหนเพราะต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมไว้โดยรอบแต่ไม่ว่าทั้งด้านซ้ายและขวาเลเห็นยอดของตำหนักหรือวงังหรือจะเป็นโรงเรือนอาคารในเขตราชฐานผุดโผล่อยู่เป็นหย่อมๆใกลบ้าง ไกลบ้างทหารชุดนั้นคงนำเฉลยรุดหน้าไปตามถนนโรยกรวดอันคดเคี้ยวไปมาสองฝากทางเป็นสุมทุมพุ่มพลึกทั้งไม้ใบและไม้ดอกแปลกๆงามสะพรัง่งไม่นานปลายทางขวางกัน้นถนนสายนั้นก็มาสะดุดชะงักที่ตัวตึกทึมๆขนาดใหญ่สร้างด้วยสิลาแรงทั้งหลังมียอดดอยสีม่มุมซึ่งทหารธนูประจาอยู่บนยอดนั้นและรอบด้าน รายล้อมตัวตึกนั้นก็มีโรงพักของทหารรักษาการปลูกอยู่เป็นแถวมีทหารยามเดินเกร่อยู่ไปมาลักษณะของมันบอกชัดว่าเป็นคุกเรื่เรือนจำอันมั่นคงแข็งแรงโดยแทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรมากทหารนำคณะเฉลยซึ่งกษัตริย์สิงหราอ้างด้วยถ้อยคำอันอ่อนหวานว่าแขกผู้มีเกียรติตรงเข้าไปยังตึกทึมๆหลังนั้น กุตมะระพินเอ่ยขึ้นเป็นคำแรกนี่เป็นเขตของพระราชวังหลวงเขตราชฐานไม่ใช่เหรอใช่ที่ปรึกษาฝ่ายทหารนั้นเป็นตัวประกันตอบข้วนหวนเหตุใดจึงเอาคุกมาตั้งไว้ในเขตราชฐานหลังมหาปราศาทของกษัตริย์ซึ่งมันผิดหลักทั่วไปมากนั่นเป็นที่จำาขังของราชวงศ์ เจ้านายและบุคคลชั้นสำคัญนักโทษต่างแดนทั้งสองได้รับเกียรติให้ถูกกักขังอยู่ในที่จองจำภายในราชฐานแห่งนี้ไม่มีใครถามอะไรอีกบรรยากาศแห่งความประแวงแคลงใจในกุฎมมของฝ่ายเฉลยครอบคลุมหัวใจไปทั่วทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งดารินหล่อนรู้สึกผิดหวังอย่างยิง่งเพราะตนเองเคยนึกยินดีอยู่เป็นอันมาก ที่ใช้เวลารักษาพยาบาลใกล้ชิดกุตมะระหว่างที่เดินทางและพูดกล่อมกลาวหวานล้อมหมายจะเอาเป็นพวกไว้อย่างมากจนกระทั่งแน่ใจแล้วนึกไปไม่ถึงเลยว่ากุตมะจะเปลี่ยนแปลงท่าทีไปเป็นตรงข้ามได้ถึงเช่นนี้เมื่อทั้งหมดเคลื่อนใกล้ตึกศีลาแรงสูงระหานนั้นเข้ามา พวกทหารที่เฝ้าอยู่ก่อนแล้วก็เข้าแถวรับทันทีและมีนายทหารคนหนึ่งยืนเด่นคอยรับหน้าอยู่สิงคุตมะตะโกนบอกความออกไปทหารผู้นั้นได้คำนับและหลีกทางให้ขบวนที่จะนำแขกผู้มีเกียรติเข้าไปเยี่ยมนักโทษจึงผ่านขึ้นบันไดเข้าไปในบริเวณนั้นด้วยอาการปกติบรรยากาศภายในเต็มไปด้วยความอับทึบทมึงถึง น่าสยองใจเป็นอย่างยิ่งส่วนแรกเป็นห้องโลงมีผู้คุมในเครื่องแบบติดอาวุธนั่งประจำกันอยู่โซดรวนคือคาและเครื่องทรมานแปลกๆวางเรียงรายอยู่ตลอดทั้งห้องต่อไปก็ถึงทางเดินแคบๆลึกเข้าไปสู่ที่ส ง, งัดของที่จองจำลงบันไดไปอีกสองช่วงจนทำให้ทั้งหมดรู้สึกได้ว่า ขณะนี้พวกตนเดินอยู่บนพื้นที่ต่ำกว่าระดับพื้นภายนอกแล้วสังเกตเห็นหยดน้ำซึมลงมาจากเพดานหินที่มีรอยแตกราวและตะไคร่น้ำจักหนทางนั้นแคบก่อนแล้จึงทะลุออกสู่ห้องกว้างและลงบันไดไปอีกชั้นหนึ่งกลิ่นไอของอากาศที่ทุกคนสูดเข้าไปในขณะ น, นี้มันไม่ผิดอะไรกับก้นเหวหรือมิฉะนั้นก็ขุมนรก แสงสว่างรางๆที่พอจะมองเห็นได้ในขณะ น, นี้เกิดขึ้นจากดวงใต้ที่เสียบปักลุกโชนอยู่ตามฝาผนางังเป็นระยะๆเะะทิดฐาเริ่มใช้ไฟฉายประจำตัวของเขาส่องตรวจตาสถานที่ทันทีในขณะที่ใช้ยันหมายตาไปทางกุตมะไม่ยอมห่างโดยมีความมุ่งมั่นว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในทางร้ายขึ้นแล้วก็ ที่ปรึกษาทางทาหารของสิงหาราจะต้องคว่มไปก่อนเพื่อนสำหรับใขยินส่างปาจันเสยและบุญคำขณะนี้ก็ไม่เดินมือเปล่าแม้จะแบกสัมภาระเข้ามาด้วยแต่ก็ยังถือดาบมั่นไว้ในมือส่วนเกิดซึ่งได้ปืนสั้นจากดารินไปกระบอกหนึ่งก็กำปืนแน่นจากการผจญภัยที่ผ่านมาแล้วทุกครั้งทุกเหตุการณ์ของแต่ละคน ไม่เคยมีครั้งใดที่ทั้งคณะจะมีความรู้สึกประวันพรั่นพรึงและใจสั่นระทึกเท่าครั้งนี้ทางเดินที่ถูกนำไปนั้นยิ่งตำลึกลงมากเท่าใดก็มีความรู้สึกบอกตอนเองว่าตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบหรือบางทีอาจจะเสียรู้มากขึ้นเท่านั้นแต่ก็ยังอุ่นใจอยู่บ้างที่มีกุตมะเป็นตัวประกันลงมาด้วยครั้นแล้วบนพื้นหินชื้น อันควรจะเป็นที่อาศัยของสัตว์เลยคลานเสียมากกว่าทุกคนก็มองเห็นลูกโครงเหล็กแต่ละอันใหญ่ขนาดท่อนแขนขวางกั้นอยู่ยังห้องเบื้องหน้าไม่ห่างออกไปนักแสงคบเพลิงที่ปักเรียงรายไว้สว่างพอจะมองเห็นอะไรได้ถนัดพอสมควรลูกโครงเหล็กเหล่านั้นกั้นอยู่เหนือผนังหินที่สูงท่วมขึ้นมาในระดับไหลยันขึ้นไปสู่เพดานซึ่งไม่สูงนัก ผนังหินจึงเป็นฉากกำบังไม่สามารถมองเข้าไปเห็นอะไรภายในได้ในขณะที่ต่างมาหยุดยืนอยู่ด้านนอกขณะ น, นี้และภายในห้องขังนั้นก็สังเกตเห็นแสงวอมแวมของคบเพลิงส่องอยู่อย่างน้อยก็สองดวงมีผู้คุมร่างยักษ์เอวคาดสายดาบมือถือแท่ราวกนายนิรบานยืนเกรยอยู่ปากประตู พอมองเห็นกองทาหารซึ่งมีกุตมะนั่งมาบนเสลียงโผล่เข้ามาเช่นนั้นทั้งสองก็ปราดเข้ามาทำความครบรออย่างแข็งขันน้องชายของท่านกับคนนำทางน่ะถูกขังอยู่ในนั้นกุตมะพยักหน้าไปยังทิศทางนั้นพร้อมกับพูดเสียงห้าวขึ้นด้วยน้ำเสียงอันปราศจากความรู้สึกเชิดหา ย, ยิ้มเหี้ยมเกรียมโบกมือที่ถือปืนจุดี่ี่เม สั่งให้ทหารไขกุญแจประตูแล้วท่านกับคนแบกเสลียงทั้งสี่คนนี่เดินนำเข้าไปก่อนท่านหัวหน้าคณะออกคําสั่งแน่นอนเราพร้อมที่จะเข้าไปกับพวกท่านเสมอแต่ทหารที่คุมมาทั้งหมดประมาณยี่สิบกว่าคนนท่านจะให้เข้าไปด้วยหรือไม่ไม่จนะําเป็นสั่งให้ทหารที่คุมพวกเรามาทั้งหมดออกไปคอยอยู่ข้างนอก เราต้องการท่านกับคนแบกเสลียงคานหามสี่คนนี้เท่านั้นที่จะต้องเข้าไปในนั้นกับเรากุตมะไม่มีอะไรขัดข้องหันไปบงการกับทหารที่ควบคุมมาพวกนั้นรับคำสั่งแล้วหันหลังกลับอย่างมีระเบียบเดินเป็นขบวนพระหายรับทางโค้งออกไปหมดสถานที่หน้าห้องคุมขังอันเปรียบเหมือนขุมนรกนั้นจึงมีเพียงกุตมะ กับทาตแบกเสลียงสี่คนและผู้คุมร่างยักษ์สองคนกับฝ่ายของเชษฐาทั้งหมดเท่านั้นระพินไพรวันสังเกตยอย่างรอบคอบไปรอบด้านอีกครั้งสถานที่มันดูเหมือนจะอับทึบและอยู่ใต้ดินก็จริงแต่เขาแน่ใจว่าระบบถ่ายเทอากาศและออกซิเจนมีพอสมควรทีเดียว พิสูจน์ได้จากการลุกไหม้อย่างสม่ำเสมอของใต้หรือคบเพลิงที่จุดปักไว้โดยคำสั่งอันมีอํานาจของกุฎธมะผู้คุมทั้งสองไขกุญแจขนาดใหญ่ที่ล่ามด้วยโซ่เคืองพันดานประตูที่ขัดไว้ด้านนอกยกขึ้นและประตูไม้หนาคาดไว้ด้วยเหล็กแผ่นก็เปิดอ้าออกเสียงที่ลั่นเอียดอาดเสียดเข้าไปถึงคั่วหัวใจ ห้าแบกเสลี่นทั้งสี่ที่หามกุตมาอยู่เริ่มเคลื่อนที่แต่ระพินปราดเข้าขวางไว้ซะก่อนเดี๋ยวก่อนเขาออกคำสั่งปืนจ้องระวังไปยังผู้คุมทั้งสองซึ่งแน่ละคงยังไม่รู้จักอนุภาพของสิ่งที่มนุษย์ต่างแดนถืออยู่พระยืนกอดอกเฝ้าอยู่ปากประตูโรางงานอย่างไม่คลั่นครามระพินพยักหน้าไปทางชั ย, ยันบอกว่าคุณชยยันครับ มาช่วยผมก่อนครับทั้งๆ ท, ที่ยังไม่รู้ความหมายว่าจอมพรานต้องการจะให้ช่วยอะไรชยันปาดตรงเข้าไปทันทีโดยร้องสั่งให้มาเรียถือปืนคุมอุตมะไว้ระพินปาดเข้าไปยึดหอกสองเล่มที่วางพิงอยู่ใกล้ๆปากประตูเข้าชายันก็เข้าใจในทันทีนั้นตรงเข้าไปที่ผู้คุมทั้งสองแย่ปากระบอกปืนทิ่มหน้าอกถอดสายเข็มขัดค า, าดดาบของเจ้าออกมา แล้วส่งกุญแจมานนิยามทั้งสองยืนเสยะหน้าเฉยโดยไม่สะดุ้งสะเทือนแต่ก็ยอมถอดเข็มขัดขา ด, ขาดสายดาบประจำตัวออกทันทีเมื่อเป็นคำสั่งของกุตมะซึ่งเข้าใจความต้องการของฝ่ายฉเฉลยดีอยู่แล้วชยันโยนดาบไปให้ขยินกระจันคนละเล่มส่วนกุญแจนั้นยึดไว้กับตนเองระพินรูดสายโซ่ที่คล้องดานประตูโยนเข้าไปภายในห้องขัง ซึ่งบัด น, นี้ยังไม่สามารถจะมองเห็นอะไรก่อนทั้งสิ้นแล้วใช้ปลายหอกจี้ผู้คุมทั้งสองทั้งสองคนอะเข้าไปในนั้นก่อนเร็วพอะเห็นท่าทีของจอมพรานเช่นนั้นอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็ทำงานประสานอย่างสอดคล้องได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกันให้เสียเวลา <c oughs> เขาใช้หอกอีกเล่มที่จอมพรานโยนมาให้ทิ่มเบาๆเข้าไปที่สี้างผู้คุมจนสะดุ้งและชวดพริบตาเดียว ทั้งจอมมักคุเทและชา ย, ยันก็ถีบผู้คุมทั้งสองพังงะร่อนเข้าไปในห้องขังนั้นทันทีทลางโบกมือกับกุฎธมะเอาละท่านเข้าไปก่อนได้และบอกยามทั้งสองนั่นด้วยนะว่าอย่าพยายามต่อสู้หรือออกจากห้องไปนัานขัดเป็นครั้งแรกที่ทุกคนเห็นกุฎตมะยิ้มจางๆขึ้นบนริมฝีปากพร้อมกับกล่าวเรียบๆมาว่าท่านทําแปลกมาก นี่ท่านจะมาปล้นยึดคุกมรกตนครหรือว่าจะมาเพื่อเยี่ยมเยียนคนของฝ่ายท่านพร้อมข้อตกลงในทางที่ดีที่ท่านได้มีไว้กับกษัตริย์ของเรากันแน่กุตมะเรามีสิทธิที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นสมควรเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเองรพินตอบเสียงกราฟพรานรพินท่า น, นาเป็นคนฉลาด และฉับไวมากในงานต่อสู้แต่ก็ไม่ฉลาดเกินไปนักหรอกพร้อมกับกล่าวปนหัวเราะแผ่วเบากุตมะก็ทำสัญญาณกับคนแบกเสลียงให้เคลื่อนที่แต่แล้วก่อนที่กุตมะจะทันเคลื่อนผ่านประตูธรณีประตูเข้าไปในนั้นเงาของคนสองคนก็โผล่สวนพรวดออกมาอย่างรวดเร็วเราก็เสือร้ายที่เห็นประตูโครงเปิด ในมือของคนนึงถือโซ่เหล็กขนาดใหญ่ที่ระพิงโยนเข้าไปก่อนแล้วออกมาด้วยส่วนอีกคนนึงมือเปล่าแล้วก็มาประจันหน้านิ่งเหมือนถูกสาบอยู่เบื้องหน้าของขบวนที่กําลังจะเคลื่อนเข้าไปในนั้นชายหนึ่งร่างสูงใหญ่ขนาดเชิดท้าเข่ายาวเกือบถึงอกผมเป็นกระเซิงมีสีขาวประปรายเป็นชายในวัยชะกันอีกคนนึงร่างเล็กบาง แต่เรยวและไวเหมือนประอดหัวเขาโผลนหมดแล้วสายตาของคนต่างวัยต่างขนาดทั้งสองลุกจ้าสอแววกระหายเลือดและพร้อมที่จะสู้ตายถวายชีวิตแต่บัดนี้เขาทั้งคู่ดูเหมือนจะถูกสาบให้เป็นหินไตชั่วขนาดในลักษณะที่ยืนระวังตัวเตรียมพร้อมเหมือนภาพฝัน ทั้งสองฝ่ายต่างจ้องกันจังงังไปอีกครู่ใหญ่โดยไม่หายใจรพินไพร์วันยืนอยู่ด้านหน้าของทุกคนดังนั้นทั้งสองชายจึงมองเห็นได้ถนัดแล้วเห็นก่อนคนอื่นนายรพินคนแก่ร้องคุณรพินคนหนุ่มตะโกนลั่นแทบจะไม่เชื่อสายตาระหว่างที่คนอื่นยังตะลึง รบพินไพยวันสูดลมหายใจลึกพร้อมกับยิ้มออกมางานสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาสำเร็จลงแล้วรบพินก้าวเข้าไปยังร่างทั้งสองที่ยืนจังงังนิ่งเป็นหินนั้นสวัสดีครับคุณชดประชากรและลุงอินที่เราได้พบกันอีกระพินนี่คุณเหรอเนี่ย ชายร่างใหญ่ที่ยังถือสายโซ่ในมือปล่อยโซ่ลงตะโกนออกมาสุดเสียงย่างไม่เชื่อสายตาตาของคุณไม่ฝาดไปหรอกครับผมเองครับประพินไครวันผมเตือนคุณแล้วว่าอย่าพยายามเดินทางมาในครั้งนี้และคุณก็ไม่เชื่อผมและในที่สุดผมเองก็มีความจําเป็นที่จะต้องมาตามคุณโดยไม่ได้สนใจกับใครอื่นทั้งสิ้นทั้งชดประชากรและหนานอิน ผู้บตดนี้เป็นที่พิสูจน์ชัดออกมาแล้วว่ายังมีชีวิตอยู่เพนพรวดเข้าถึงตัวจอมพรานกอดรับไว้แน่นระพินยิ้มกับคนทั้งสองพร้อมกับพูดว่าคุณชดครับอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยครับสงบสติอารมณ์สักครู่และใช้สายตาของคุณพิจารณาให้ละเอียดหน่อยเถอะครับว่ามีใครมากับผมด้วยทุกคนติดตามคุณมาด้วยชีวิตที่ทุ่มเทแล้วทั้งสิน้น ผมเป็นแต่เพียงลูกจ้างที่รับจ้างท่านมาเท่านั้นครับจบคำพูดของรพินไพรวันชดประชากรหรือหมอมราชวงศ์อนุชาวราริศกับนานอินจึงหันไปเพ่งพิจารณาทางกลุ่มคนกลุ่มนั้นอีกครั้งในกลุ่มของคนที่ยืนเรียงรายตะลึงเป็นหน้ากระดานอยู่นานอินนั้นมองด้วยความพิดหวงเพราะไม่รู้จักมาก่อนนอกจากจะแลไปเห็นบุญคาซึ่งเคยเห็น ก็หลุดปากพึมพำออกมาว่าอ้าวไอค้คาเองเลอผู้ที่โผล่เข้ามาหาเป็นคนแรกโดดกอดคอพร้อมกับร้องไห้โฮออกมาคือมอมราชวงศ์หญิงดารินวราลิปพี่กลางน้อยนี่เธอเหรือนี่อ้าวแล้วนั่นพี่ใหญ่เฮ้ยชายยันมาด้วยเออเนี่ย ผูุ้ดผู้ที่เป็นต้นเหตุแห่งการเดินทางอย่างมหาวิบากของคณะติดตามร้องออกมาเหมือนคนเสียสติเชิดท้ายยืนกับกรามนิ่งน้ำตาไหลพรากยังสุดที่จะกลั้นได้เขาพูดและขยับขยื่นตัวไม่ได้อยู่เช่นนั้นอีกนานทีเดียวคงมีแต่น้อยน้องสาวเท่านั้นที่เข้าไปกอดรัดพี่ชายกลางว้ยพร้อมกับร้องไห้สอืกสอกเสือกทุกคน ดูเหมือนจะลืมอะไรไปเสียหมดสิ้นแล้วจะมีก็แต่เพียงรบพินคนเดียวเท่านั้นที่ยังใช้สายตาคมวัยรวดารระมัดระวังอยู่รอบกายแต่ก็เห็นกุตมะและธาตุแบกเสลียงทั้งสี่ยืนสงบนิ่งโดยไม่มีท่าทีเช่นไรเมื่อชะโงกเข้าไปดูในห้องขังอันกว้างพอสมควรซึ่งปูไว้ด้วยฟางหนาก็เห็นยามทั้งสองที่เขาถีบระเด็นเข้าไปในห้องแต่แรก นอนคว่ำหน้านิ่งไปซะละสันนิษฐานว่าคงจะโดนสายโซ่ที่เขาโยนเข้าไปก่อนโดยฝีมือของนายชดหรือมิฉะนั้นก็หนานอินซึ่งรอคอยจังหวะอยู่เมื่อรู้ว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่หน้าประตูห้องขังของตนชายันโดดเข้ากอดเพื่อนรักเป็นคนที่สองทั้งสมคนพากันรอ้องไห้โดยไม่มีคําพูดหรือทักทายอะไรอีกทั้งสิน้นเป็นเวลาครู่ใหญ่ทีเดียว ทั้งช ย, ยันกับดารินจึงหันไปทางเชษฐาผู้ยืนนิ่งกลางแกไม่เห็นหรอกเหรอเชษฐามาตามแกด้วยขอยความหมุนหมองระหว่างพี่น้องด้วยเรื่องขี้ผงในอดีตสุดสิ้นลงเพียงเท่านั้นเถะดกลางอนุชาวราฤทธ์แวกน้องสาวกับเพื่อนให้พ้นไปจากเบื้องหน้าแล้วเดินตรงเข้าไปหาเชษฐาผู้ยังยืนนิ่งน้าตาไหลรินอยู่ ทั้งคู่จ้องกันในระยะใกล้พี่ชายยิม้มยื่นมือทั้งสองมาให้น้องชายสุดกายคุกเข่าลงแล้วกอดเอวไว้ร้องไห้เหมือนเด็กๆพูดแทบไม่เป็นภาษาพี่ใหญ่ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเคยล่วงเกินพี่ไปผมผมกราบขอขามาด้วยครับเชษดทาสุดกายลงกอดน้องชายไว้ ดูเหมือนเขายังคุมสติไว้ได้ดีพยายามจะยิ้มทั้งน้ำตาและยกมือขึ้นรูปศีรษะอนุชากลางพี่ก็ต้องขอโทษเธอเหมือนกันนะตั้งแต่เราเข้าใจผิดกันแล้วเธอหายจากเรามานี่พี่และทุกคนก็มีแต่ความทุกข์และในที่สุดเราก็ตัดสินใจเสี่ยงชีวิตมาตามเธอ พี่ไม่คิดเลยนะว่าเธอจะมีชีวิตรอดอยู่จนกระทั่งได้มาพบหน้ากันอีกครั้งและถ้าไม่มีระพินไรวันสักคนเดียวตลอดทั้งชาตินี้เราจะไม่มีวันได้พบกันอีกแล้วมันเป็นภาวะที่เศร้าสลดระคนปลาบลื้มยินดีที่สุดในระหว่างพี่น้องและเพื่อนร่วมสาบานที่มาพบหน้ากันโดยไม่คาดฝันเหมือนได้ไปพบกันคนละโลก กับที่เคยอยู่ร่วมกันมาแล้วระพินปล่อยให้ภาพนั้นดำเนินไปตามวิถีทางของมันโดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนอกจากทำสัญญาณให้คนของเขาเตรียมพร้อมและระวังตนอยู่เช่นนั้นแต่แล้วเขาก็ถูกกอดขาโดยนานอินตะพรานเท่าใจเพชรไม่ได้ร้องให้แต่แกหัวเราะอย่างยินดีบอกว่านานอินไม่เชื่อนายรพิน ถึงได้เอาชีวิตมาทิ้งเสนในเมืองประหลาดนี่แต่ก็นอนฝันฝันอยู่เหมือนกันว่าสักวันนึง่งนายคงมาตามเราฮโอ้ยดีใจจริงๆไอ้เรื่องตายนะนานอินไม่กลัวรอกแต่อยากจะกลับไปตายบ้านเราดีกว่าจริงไหมไอ้ข้าพี่อินนี่ฉันนึกว่าพี่อินตายไปนานแล้วนะ ไม่นึกว่าจะรอดอยู่อีกบุญคาตอบยิ้มยิ้มส่วนพวกลูกหาบทุกคนปลดของลงจากบ่าแล้วเข้ามารุมล้อมนานอินโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยินซึ่งรู้จักนานอินและนายชดมาดีก่อนแล้วถึงพรานอีกสามคนของระพินก็ล้วนแต่เคยเห็นหน้านายชดและนานอินมาก่อนทั้งสิ้นเว้นแต่จะไม่คุ้นเคยกันเท่านั้น ขณะนี้จึงมีแต่เพียงมาเรียนและสางตาเท่านั้นที่ไม่รู้จักบุคคลทั้งสองนอกจากมองดูสภาพการพบปะระหว่างพี่น้องที่เพิ่งจะเจอกันด้วยความรู้สึกอันบอกไม่ถูกมันมีทั้งความปลาปลื้มยินดีและสลดหดหูอย่างไรพิกลเพราะชายชกันตละคนหล่อนก็ล้วนเห็นถึงความแข็งแกร่งปานเหล็กเพชรมาแล้วทั้งสิน้นแต่บัดนี้ต่างร่ําห้กันไป พูดรำพันกันไประคนไปกระรอยยิ้มแล้วหัวเราะซึ่งจำแนกไม่ถูกมาเรียก็เหมือนกรพินหล่อนคุมเชิงกุตมะและเดินตรวจดูสถานที่อย่างรอบคอบในรัศมีที่จะเดินไปได้รอให้พี่น้องและเพื่อนฝูงที่เพิ่งพบปะทักทายกันใช่พอการพบของคนทั้งหมดเป็นการพบนอกข้องขังยังบริเวณลานด้านนอกแต่ถึงอย่างไรก็ยังเป็นบริเวณคุกใต้ดิน ซึ่งมีทางลงอันสลับซับซ้อนอยู่นั่นเองหล่อนเข้าไปพบระพินผู้กำลังตรวจดูสภาพของผู้คุมทั้งสองที่นอนคว่าอยู่แล้วสุดลงใกล้ๆเกิดอะไรขึ้นกับสองคนนี่สงสัยตอนที่ผมผลักระเด็นเข้ามาคุณชายอนุชากระนันอินคงเล่นงานด้วยโซ่รัดประตูหม อ, อ, อไปแต่ยังไม่ตายหรอกครับแค่สลบไปเท่านั้น คุณมาช่วยผมมัดมือมัดขาสองคนนี้ไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภยัยมาเรียช่วยเขาตามคำสั่งนั้นอย่างขมิขมันครู่เดียวผู้คุมทั้งสองก็ถูกมัดมือมัดเท้าควายหลังด้วยเชือกไนล่อนประจำตัวของรพินนอนกลิ่งโคโลอยู่ต้อยมันฟื้นขึ้นมาก็ไม่มีปัญญาจะทำอะไรได้และทั้งสองก็ได้ยินเสียงชัยยันร้องเรียกเข้ามาจึงโผล่ไป เห็นพี่น้องและเพื่อนที่อุตสาห์ติดตามค้นหาแกะรอยกันมานานบัดนี้นั่งกันอยู่กับพื้นด้วยท่าทีที่พอจะสร้างความตื่นเต้นกันลงบ้างแล้วชา ย, ยันเรียกเมียแหม่มของเขาเข้าไปให้รู้จักกับเพื่อนอนุชานี่เมียของฉันมาเรียรมอมราชวงศ์อนุชาวราริสส่งมือไปให้จับพร้อมกับยิ้มยินดีที่ได้รู้จักคุณครับ คุณเป็นคนสวยมากแล้วก็ดีใจเป็นพิเศษครับที่คุณเป็นพัญญาเพื่อนรักของผมแต่คุณไม่น่าจะต้องมาลำบากเดินทางในครั้งนี้ด้วยเลยครับอนุชา พ, พูดไปเพราะความไม่รู้ตื้นลึกหนาบางมาก่อนชายันรอบขยิบตากะเมียแหม่มของเขาไม่ให้บอกอะไรก่อนทั้งสิน้นหล่อนจึงหัวเราะเบาๆขอฉันเรียกคุณว่าพี่กลางอย่างเดียวกันน้อยเถอะนะคะ ตลอดระยะทางที่เราบุกบันกันมาจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนับครั้งไม่ถ้วนนะ่ะพี่กลางเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดเพิ่งจะมาพบตัวเดี๋ยวนี้เองยังคารบินสันครูโซอย่างนั้นแหละคำพูดของมาเรียทําให้อนุชา ย, ยิ้มร่าเริงออกมาได้แล้วมาเรียก็เรียกสางปาเข้ามาแนะนำให้รู้จักโดยบอกให้ทราบว่าสางปานะเป็นคนของหล่อนโดยเฉพาะ ระหว่างที่ทุกคนกำลังสังสรรค์ทักทายกันอยู่ด้วยความปราโมดนั้นกุตมะสั่งให้ทาตแบกเสลียงวางตนบนแท่นหน้าประตูห้องขังพร้อมกับทอดสายตาเยือกเย็นยากที่จะอ่านความหมายตรงมาทุกท่านสมประสงค์และที่ได้มาพบกันทั้งสองฝ่ายเสียงนั้นกล่าวมาลอยๆยดังกังวานไปทั้งห้องแต่ท่านนึกเะ ว่าท่านน่ะฉลาดไปกว่ากษัตริย์สิงหราไม่ความว่าไงชยันหันความจ้องร้องถามไปได้วยเสียงเกือบจะเป็นตะวาดกุตมะยิ้มเยือกเย็นคุกใต้ดินนี่ไปตายแล้วสำหรับท่านทุกคนที่อยู่ในนี้ในสภาพเดียวกับที่อุปราชรหัสยะได้เคยพูดเอาไว้ว่าไอ้พวกหนูติ หวังว่าท่านคงจะจำได้ท่านทั้งหมดกําลังจะถูกฝังทั้งเป็นและตายไปอย่างชาัาช้าอย่างทรมานที่สุด